บทภาชนีติกะปาจิตตี4 4 1อุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันดูหมินพระวินัยต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจดูหมินพระวินัยต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันดูหมินพระวินัยต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎภิกษุดูหมินรมอย่างอื่นต้องอบัต <meaningless> ทุก <poetry> ก ภิกษ <ph> so so so ุดูหม so ินพระวินัยหรือทำอย่างอื่นให้อนุปสสมบันิฟังต้องอบัติทุกกฎอนุปสัมบันิภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอบัติทุกกฎอนุปสัมบันิภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสสมบันต้องอบัตทุกกฎ